วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวนระวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆ เพื่อให้มาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิตจิตใจมีความสำคัญยิ่งกว่าร่างกายและร่างกายก็มีความสำคัญกว่ากิเลสตัณหาความโลภความอยากต่าง แต่เนื่องจากใจของผูุ้ชนอย่างพวกเราทั้งหลายนั้นขาดปัญญาความรู้ความเห็นที่ถูกต้องจึงทำให้เราเห็นกับตาละปัดไปเห็นว่าร่างกายนี้มีความสำคัญที่สุดลองลงมาก็คือความสำคัญของกิเลสตัณหา คือความอยาความโลภต่างๆส่วนความสำคัญของจิตใจนี้แทบจะไม่เห็นเลยเพราะไม่รู้ว่ามีจิตใจอยู่ในชีวิตของเราด้วยเพราะเรามองไม่เห็นจิตใจเนื่องจากจิตใจนี้เป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เราจึงไม่รู้ว่าเรามีจิตใจและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ข, ของเราเพราะความสุขและความทุกข์ของเรานี้นอยู่ที่จิตใจของเราเกิดที่จิตใจของเราแต่เนื่องจากเราไม่รู้เราไม่ดูแลจิตใจของเราเราเลยปล่อยให้จิตใจของเราผลิตแต่ความทุกข์ให้กับเรา ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เรามีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ใจของเรานั้นมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆมีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยมีความต้องการอยู่เรื่อยมีความว้าวุ่นขุ่นมัววุ่นวายใจอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ดูแลรักษาใจ เราไม่รู้ว่าเรามีใจที่เราจะต้องดูแลรักษายิ่งกว่าร่างกายของเรายิ่งกว่าความโลภความอยากต่างๆของเรา mm hmm. ในชีวิตของเราส่วนใหญ่ mm hmm. เราจะใช้เวลาหมดไปกับการดูแลร่างกายและดูแลกิเลสตัณหาร่างกายนี้ถ้าเราดูแลตามความเหมาะสมก็ไม่เป็น การเสียหายแต่อย่างใดแต่เราต้องรู้ว่าร่างกายของเรานี้มีขอบมีเขตมีอายุไขคือไม่ว่าจะดูแลให้ดีอย่างไรก็จะก็หนีความแก่หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีความตายไปไม่ได้เราจะไม่ควรที่จะดูแลร่างกายมากเกินไป ความจำเป็นความต้องการของร่างกายเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์มากไปกว่านั้นนั่นเองคือร่างกายนี้อยู่ได้เพราะปัจจัยสี่คืออาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มและที่อยู่อาศัยก็เราก็ควรที่จะมีให้พอเพียง เมื่อเรามีพอเพียงแล้วก็ถือว่าพอแล้วไม่ควรที่จะเสียเวลาหามาให้เพิ่มมากกว่าที่มีอยู่มีมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายอยู่ยืนยาวนานขึ้นไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ เพธรรมชาติของร่างกายนั้นเขาต้องเป็นไปตามวาระของเขาเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีมีบ้านเป็นสิบหลังร้อยหลังมีอาหารวิเศษวิโสรับประทานมียารักษาโรคที่มีราคาแพงแพงวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามราคา แ พ, แพงมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายที่จะต้องแก่จ ะ, จะต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับคนยากจนคนขอทานถึงแม้เขาไม่มีบ้านอยู่เขาไม่มีเสื้อผ้าราคาแพงๆใส่เขาไม่มีอาหารที่ละเอียดรับประทานไม่มียารักษาโรคที่มีคุณภาพมีราคาแพงๆ เขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยถ้าจะต่างก็อาจจะต่างตรงที่เวลาคนที่ขาดปัดจจัยสี่ที่ดีที่มีคุณภาพก็จะตายก่อนคนที่มีปัจจัยสี่ที่ดีที่มีคุณภาพแต่เมื่อถึงเวลาที่ตายแล้วก็เท่ากันตายเหมือนกันแล้วก็สิ่งต่างๆ ที่ได้หามามากน้อยเพียงไรก็หมดสภาพไปคือไม่ได้สามารถเอาติดตัวไปได้นั่นเองนี่คือเรื่องของร่างกายที่เราต้องเข้าใจและให้ความสำคัญเท่าที่จำเป็นพอความต้องการของร่างกายก็พออย่าเสียเวลากับการดูแลเลี้ยงดูร่างกาย มากจนเกินไปเพราะสิ่งที่สำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจของเราอีกส่วนหนึ่งที่พวกเรามาักจะหลงไปดูแลกันอยู่มากก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆทั้งๆที่เรามีสิ่งที่พอเพียงต่อร่างกายแล้วแต่เรายังถูกความหลงหลอกให้เราไปหา สิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลิกกิเลสตัณหาเช่นมีหาปัจจัยเงินทองมามากเกินความจำเป็นหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือจิตใจการกระทาเหล่านี้เป็นการเสียเวลา และเกิดโทษกับจิตใจถึงแม้จะมีความสุขจากการหาสิ่งเหล่านี้มาแต่ก็เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยที่เคลือบเวื่อที่พุ่มหอ่อความทุกข์อันใหญ่เหลวงไว้เวลาที่เราได้อะไรมาใหม่ๆเราจะมีความสุขมีความดีใจแต่หลังจากนั้นไม่นาน ความสุขนั้นก็จะจางหายไปเหลือแต่ความความทุกข์ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความหวงเจเกิดจากความวิตกกำมวลว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้จะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราและเมื่อถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้อง เสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจนี่คือการผลที่เกิดจากการดูแลกิเลสตัณหาทำตามกิเลดตัณหาความต้องการต่างๆเช่นหาลาบหาเงินทองมามากมายหายศตำแหน่งต่างๆหาการยกย่องสรรเสริญเยนยอและหาความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นโนดโผฏฐะเช่นไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นการ <c oughs> ดูแลกิเลสตัณหาเลียงดูกิเลสตัณหาให้มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะการ กระทำเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งความอิ่มความพอของจิตใจแต่จะกลับทำให้มีความหิวมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเวลาอยู่เฉยๆจะมีความรู้สึก ว, าว้าวเวเศร้าส้อยหงอยเหงาหรือเบื่อหน่ายก็เลยจะต้องดิ้นรนไปหาความสุขตามอำนาจของกิเลสตัณหาไป เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็จะต้องไปเกิดใหม่อีกเพื่อจะไปหาความสุขแบบนี้อีกนี่คือการดูแลกิเลสตัณหาผลก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนที่สาที่เราควรที่จะดูแลให้มากเพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราก็คือจิตใจ แต่เราไม่ค่อยได้ดูแลกันเพราะเราไม่รู้ว่าประโยชน์สุขที่เราได้รับจะได้รับจากการดูแลจิตใจนี้เป็นความสุขที่เลิ่ที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลา ย, ลายในโลกนี้ถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการดูแลรักษาใจของเราเพียงคงเดียวแล้วเราจะเห็นคุณค่า ของจิตใจของเราเห็นความสุขเห็นคุณค่าของความสุขของจิตใจของเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในเบื้องต้นเรายังไม่เห็นเราจึงต้องมีศรัทธามีความเชื่อในบุคคลที่เห็นมาแล้วได้สัมผัสมาแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อน ท่านก็หลงอยู่กับการดูแลรักษาร่างกายและดูแลกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแต่ท่านก็มีปัญญามีความฉลาดที่คอยสังเกตดูว่าความสุขต่างๆที่ท่านได้มานั้นเป็นอย่างไรท่านก็เห็นว่าเป็นความสุขปลอง เป็นความสุขที่พุ่มห่อความทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ถาวารจึงทำให้ท่านสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาความสุขที่แท้จริงท่านก็ได้เห็นผู้ที่ได้มีความสุขหรือได้พบกับความสุขแบบนี้มาก่อนเช่นนักบวชทั้งหลายผู้ที่ได้สละความสุขทาง ร่างกายความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพแล้วออกไปบำเพ็ญภาวนาจเจริญส ม, มณะธรรมคือปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตใจให้สงบเพื่อจะได้รับความสุขที่ดีที่เลิศกว่าเสียงอื่นใดเวลาได้พบกับสมมณะเหล่านี้ก็จะ ได้มีโอกาสได้สนทนาได้ปรึกษาได้ศึกษาว่าวิธีที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรพอได้ศึกษาและวนำเอาไปปฏิบัติก็ได้พบกับความสุขอั Un ured, Un นเลิศอันประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบในเบื้องต้นก็ต้องศึกษากับผู้ที่รู้มากกว่าพระองค์ก่อน ก็ได้ศึกษาจากอาจารย์ที่สามารถทำจิตใจให้เป็นฌานได้ได้พบกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้จากฌานนี้เป็นความสุขชั่วคราวคือขณะที่อยู่ในฌานก็จะมีความสุขนี้แต่จิตใจจะไม่สามารถอยู่ในฌานได้ตลอดเวลา ก็จะต้องออกมาดูแลร่างกายร่างกายเมื่อนั่งไปนานก็จะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาหรือเกิดการต้องการอาหารต้องการดื่มน้าร่างกายก็จะไปกระเทือนกับฌานคือความสงบทำให้จิตไม่สามารถอยู่ในฌานได้ก็จะต้องออกมาเพื่อมาดูแลร่างกาย มารับประทานอาหารมาดื่มน้ํามาออกกําลังกายเปลี่ยนอิรยาวดต่างๆแล้วพอทําเสร็จแล้วถึงจะค่อยกลับไปเข้าไปในฌานได้ใหม่แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเข้าฌานแต่เป็นเป็นความสุขที่สุขได้ตลอดเวลา ทั้งในขณะที่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิและในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในฌานในสมาธิคือเวลาออกมาดูแลร่างกายออกมารับประทานอาหารดื่ม น, น้าทำภารกิจการงานต่างๆพระองค์ก็สามารถทำให้ใจมีความสุขได้เหมือนกับอยู่ภายในฌานด้วยการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมจัด ตัวที่ทาลายความสงบความสุขก็คือกิเลสตัณหานี่เองนี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ว่ากิเลสตัณหานี่แลเป็นตัวทาลายความสงบสุขของจิตใจที่ได้จากการนั่งสมาธิจากการเข้าฌานพอใช้ปัญญาพิจารณาดับความโลภความโกรธ ต่างๆได้ใจก็จะสงบตลอดเวลาเหมือนกับเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธินี่คือความรู้พิเศษที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงรู้มาก่อนแต่เนื่องจากมีความสมประไทยที่อยากที่จะรักษาพระไทยของพระ อ, องค์ให้สงบตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลา ที่อยู่ในฌานเท่านั้นจึงทำให้พระ อ, องค์ต้องอปฏิบัติไมความเพียงแบบอุกฤษถึงกับอดพกยาหารถึง49วันด้วยกันเพราะทรงคิดว่ากิเลสตัณหานั้นอยู่ที่ร่างกายเกิดจากการอยากรับประทานอาหารแต่หลังจากที่ทรง อดพระกายากรอาหารถึง49วันแล้วกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็ยังมีอยู่ทั้งทั้งที่ร่างกายนั้นหมดแรงจะตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงเห็นว่ากิเลสตัณหานี้อยู่ภายในใจและสิ่งที่จะทําลายกิเลสตัณหาได้ก็คือการภาวนาคือสมถะภาวนาการทําใจให้สงบ แล้วหลังจากที่ใจสงบแล้วออกจากออกจากความสงบนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อมาดับความโลภความอยากเพราะความโลภความอยากนี้เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรคือความหลงไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใดหรือความทุกข์นั้นเกิดขึ้น ความทุกข์ที่มีมาทําลายความสุขนี้เกิดมาจากอะไรหลังจากที่พิจารณาดูภายในใจก็ทรงเห็นว่าความสงบที่ถูกทําลายไปนั้นก็เกิดจากความอยากต่างๆนี้เองเช่นอยากในรูปศียงกิน่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเวลาใดมีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นมาภายในใจ ความสงบที่ได้จากฌานได้จากสมาธิก็จะถูกทำลายไปพระองค์เลยมาแก้ปัญหาที่พระไท่ของพระองค์ไม่ได้ไปแก้ที่ร่างกายร่างกายก็ดูแลไปตามความเหมาะสมให้อาหารตามความต้องการของร่างกายแต่ไม่ได้รับประทานเหมือนแบบรับประทานเพื่อหาความสุขจากการรับประทาน รับประทานอาหารเหมือนกับการรับประทานยาเพื่อดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ถ้ารับประทานแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำตามกิเลสตัณหาแต่ทำตามความจาเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะรักษาความสงบของใจก็จะต้องรับประทานแบบนี้คือรับประทานเท่าที่จำเป็น เท่าที่ตามความต้องการของร่างกายแต่ไม่รับประทานตามความอยากของกิเลสเช่นอยากจะรับประทานอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีรสมีมรสชาติอย่างนั้นรสชาติอย่างนี้การับประทานแบบนี้เป็นการรับประทานตามความต้องการของกิเลสตัณหาแต่ถ้ารับประทานตามมีตามเกิดหรือเพื่อความแน่ใจว่าไม่ได้รับประทานเพื่อกิเลสตัณหา ก็ต้องทดสอบดูด้วยการนำอาหารทั้งหลายที่จะรับประทานในมือนั้นมารวมกันในภาชนะเดียวกันแล้วก็คลุกคนมันเข้าไปเพราะว่าในที่สุดมันก็จะต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีถ้าเรารับประทานเพื่อร่างกายไม่รับประทานเพื่อลดชาติเพื่อกิเลสตัณหาเราก็ต้องรับประทานแบบคลุกมันรวมกันได้โดยไม่รู้สึกอะไร ถ้ายังรู้สึกก็แสดงว่ายังรับประทานตามความอยากของกิเลสตัณหาอยู่ถ้ายังทำตามกิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถรักษาความสุขความสงบของจิตใจได้นี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ที่พระอริยสัจสีนี่เอง ทรงเห็นว่าความทุกข์หรือความไม่สงบของใจเกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้สติปัญญาต่อสู้ระงับดับความอยากต่างๆทั้งหลายจนหมดสิ้นไปจากพระทยัย หลังจากนั้นพระทัยของพระ อ, องค์ก็สงบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเข้าไปในฌานะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจไม่ผลิตความอยากต่างๆเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ไม่มีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ไม่มีอคติทั้งสี่ คือไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนี่คือจิตใจที่ได้รับการาพัฒนาหรือการดูแลด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาสอนให้ใจไม่ให้ไปหลงรักหลงชังหลงกลัวกับสิ่งต่างๆเพราะไม่มีอะไรน่ารักน่าชังน่ากลัวนั่นเอง เนื่องจากความหลงทำให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบเลยเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาแต่พอใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรน่ารักน่าชางังน่ากลัวเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นเองไม่มีอะไรเป็นของใจใจไม่สามารถที่จะ ยึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้อยู่กับใจได้ตลอดตอนนี้ก็มีอยู่ได้ชั่วคราวเช่นตอนนี้มีร่างกายมีสมบัติเท่าของเงินทองมีญาติเสนิทนิเสหายมีบริสับบอบริวารมีอะไรต่างๆแต่มีได้เพียงชั่วคราวเพราะเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่สามารถยับยั้งความตายของร่างกายได้ เมื่อไม่มีร่างกายใจก็ไม่สามารถที่จะไปครอบครองสิ่งต่างๆอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หรือสามีหรือภรรยาบุตรธีดาก็จะต้องเป็นของคนอื่นไปใจก็จะต้องไปแบบไม่มีอะไรไปด้วยแต่ถ้าใจรู้ใจก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆใจก็จะไม่ทุกข์ กับสิ่งต่างๆเพราะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้นะเมื่อไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ภายในใจใจก็มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบหลังนะจากที่ได้ศึกษาจากนัก บ, บวชที่ได้บวชมาก่อน เพียงแต่บบนักบวชเหล่านั้นเขารู้เพียงแต่ความสุขในระดับของฌานของสมาธิเขาไม่รู้จักความสุขในระดับของวิปัสสนาภาวนามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่มีความสามารถที่จะรู้ได้ด้วยพระองค์เองจึงเป็นวาสนาของพวกเราอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะถ้าไม่ได้พบกับคำสอนของพพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับได้พบกับความสุขที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบเลยอย่างมากความสุขที่เราจะได้ก็คือความสุขที่เกิดจากการเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานเท่านั้นแต่ตอนนี้เราโชคดีเรามีวาสนามีโอกาส ที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้เราดูแลรักษาใจเรายิ่งกว่าดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ด้วยการทำบุญให้ทานอย่างเต็มที่ ด้วยการรักษาศีลอย่างเต็มที่ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างศรัท ธ, ธาอันนี้ให้เกิดขึ้นได้และปฏิบัติตามได้ผลที่พระพุทธเจ้าและพาาาระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับคือความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดก็จะเป็นสมบัติ ของพวกเราอย่างแน่นอนอยู่ที่ศรัทธาว่าเราจะมีศรัทธาและพร้อมที่จะปฏิบัติหรือไม่พร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะสละความสุขของกิเลสตัณหาความสุขของร่างกายไม่กลัวความทุกข์ทรมาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงแม้จะต้องอดอยากขาดแคลนในเรื่องปัจจัยสี่แต่ก็จะไม่ท้อแท้จะไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจพุ่งเป้าไปที่ความสุขอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับแนะนำเอามาถ่ายทอดให้แก่พวกเราขอให้พวกเรามีศรัทธาในคําสอนในความสุขที่พุทธเจ้าทรงได้พบนิเถิด แล้วเราจะได้พบกันอย่างแน่นอนอยู่ที่ศรัทธาในเบื้องต้นถ้ามีศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะมีความอุสาหะภาคเพียรตามมาที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปฏิบัติแล้วผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้เกิดจากเห็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้ ไม่สามารถเสกเป่าความสุขอันนี้ให้กับเราได้เราขอไม่ได้เราต้องปฏิบัติเท่านั้นผู้อื่นก็ปฏิบัติแทนเราไม่ได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามศึกษาพระทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาและพอมีศรัทธา ก็จะสามารถมีกำลังที่จะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ